ต่อไปก็คือดูในด้านของเจตนาสีเจตสิกทั้งวรยังมีสีกมามนี่ก็ค้ำค้างไปหน่อยแล้วเนี่ยต่อไปก็ไปดูในเรื่องของคําว่าสีลนะก่อนในหน้าที่สิบในหน้าที่สิบเนี่ยคําว่าศีระนาคืออะไรเกนัก์เนะีหน้าสีลังเน่ยชื่อว่าศีลพราะอาว่ากันไล่เป็นไปอัถะเขาแสดงอัฐาของศีต่อหนึ่งสีระนาก็ได้เจอความตั้งไว้ดีเดีย ที่ใช้คําว่าสมาทานังคําว่าสมาทานังที่ว่าแปลว่าตั้งไว้ด้วยดีในวงเล็บเนี่ยนะฮะได้แก่ความที่กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นก็ต่อด้วยอะไรกายกรรมวจีกรรมไมโนกรรมกายกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีนั่นเองลักษณะอย่างนั้นแหะคือศีลตรงนี้ท่านก็ใส่วจะนะถาวรกายกรรมมาทีนีิสมาทะ ขันติเอเตนาติสีลํงกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นย่อมตั้งไว้ด้วยดีได้ทํานั้นละเอ้นนั้นกรรมนั้นชื่อว่าศีลตอนในวงเล่าศีลเป็นเครื่องตั้งไว้ด้วยดีของกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นนี้ในดีกาเนะท่านก็ขยายกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปเริ่มหน้าจงความเป็นผู้ทุศีลอันนี้เขาเรียกว่าตั้งไว้ดีหรือไม่ดีถ้าทุศีลเน่ะ อย่างเนี้ยการนำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และความทุกมาให้ในปัจจุบันและในชาติต่อไปหรือในการต่อไปกรณีที่นำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์มาคือนำทุกมาให้อะนำความเจ็บปวดมาให้ในปัจจุบันเราพบด้วยและในชาติต่อไปดังที่ได้กล่าวแต่ที่แรกบอกว่าศีลรักษายากเหมือนที่โยมรู้ว่าหศีลรักษายากเหลือเกินแต่ว่ากําลังบอกมาบากว่าบอกอาจารย์ตรงนี้ โอไม่เอาแล้วความเป็นมนุษย์หนักเหลือเกินไม่เอาแล้วขอลงอะไรโอ้โหอีกว่าอย่างนี้ก็เหมือนอย่เนี้นใช่ไหมมันเหมือนย้อนสมาว่ามันเป็นคําตรงตัวเลยแต่เียงไม่ได้บอกคํานี้แค่นั้นเองฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะตกสั่ไปกว่านี้อีกตอนนี้ถูกบังคับไหมความร้อนลนในใจของเราที่มีเหตุผลนั่นแหละ ต้องบังคับจริงๆใช่ั้มถ้าไม่ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้ที่จะต้องตกจริงๆแล้วไม่ใช่มีใครทําให้เราตกเราก็ัเป็นผู้ขวนขวายที่จะตกลงไปอีกเข้าใจไหมถ้าเราบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาสีอีกแล้วไม่รักษาแล้วรักษาไม่ไหวมันทําไม่ได้ในปัจจุบันพนี้ ก็เหมือนว่าท่านผู้นั้นมาตะโกนบอกว่าต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ขอเอื้อใหนมนุษย์อีกแล้วสูงกว่ามนุษย์ข้าพเจ้าก็จะไม่เอาอะไรที่มันต่ำกว่ามนุษย์นีงค่ะย่าจะเอาก็คือข้าพเาจะลงต่ํำแล้วก็คืออักขะคำนี้ที่เขาประกาศบอกเขาก็บอกคํานี้จะเราแต่เขาจะพูดคาไหนอันนั้นเป็นพยาญชนะแต่อักถะเขาบอกคือความหมายนี้เราในฐานะที่ศึกษาคําสอนต้องอ่านอักถะของความหมายให้ได้ เหมือนไก่ร้องเป็ดร้องหมูร้องสุนัขรัวควายทั้งหลายมันร้องร้องเนี่ยนะมันบอกอะไรเรามันบอกทศชาตนะโสว่ามันทุกข์เหลือเกินชาติแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมดีอย่างไว้ข้าพเจ้าไม่ได้งดเว้นจากการฆ่าไม่ได้งดเว้นจากการลักไม่ได้งดเว้นจากการบริวชีกิจกรมไม่ได้งดเว้นจากการพูดเท็จสอเสียคําำยาเพื่อเจอรชาติแล้วข้าพเจ้ามักโลภมักโกรธถ้าเห็นผิด ข้เจ้าถึงมันทรมานอย่างนี้มันก็ร้องตลอดเวลานะแล้วก็หุไก่แค่นี้ร้องท้อมากสุนัขก่ร้องท้อมากนี่เขาเรียกว่าอ่านพยัญชนะเข้าถึงอาถรรพ์เขาไม่ได้เวลามันเหา่าดีใจดีใจเรือนะ่องใหญ่นะกินอะไรจ้ากินอะไรจ้ายอมหวานว่างไงอ่านอยู่กับมันอาณาถาไม่ได้ว่าเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาทุกข์มากเขารักษาศีลไม่ได้ เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเนี่ยสถานะดีกว่ายองหวานเยอะแต่ตอนนี้พอโทษของการนี้เขารักษาสศีล เ, เขาจึงมีสภาพอย่างนี้แต่ยองหวานก็ดูเขาไวน้นะถ้ายองหวานประมาทยองหวานก็จะเป็นเหมือนนั่นเขาบอกเราทุกวันก็ร้องบอกทุกวันเข้าใจั้ย อันนี้ทั้งจริงนะเนี่ยแต่เราอ่านตรงนั้นไม่ได้เข้าใจความหมายนั้นไม่ได้เราก็อยู่อย่างความหลงแล้วก็ความ ม, วมาัวเมานักศึกษาพระธรรมของพระเจ้าจะต้องอ่านไปยันชนะเข้าถึงอัธยาให้ชัดในทุกเรื่องของอบัยศัตร์ที่กํำลังมันร้องกันลังงมมันบอกว่ามันทุกข์มากมันทรมานมากเพราะโทษสงการที่ที่แรกเรียกว่า ไม่ไหวแล้วแต่ก่อนมันล้องตอนที่เป็นมนุษย์เป็นเดวดาผมไม่เอาแล้วเสียรักษายยากแล้วต่อมาไม่ถึงนู่นั้นบอกโอ้ไม่ไหวคิดติดเลยคิดติดแล้วแต่บ่อกก็แก่แก้สถานการณ์ไม่ทันแล้วฉะนั้นตรงนี้คือกรรมทั้งหลายที่ตั้งไว้ไม่ดีเนี่ยเพราะความเป็นผู้ทุศีสีมีการนําสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และความทุกข์มาให้ทั้งในปัจจุบันนะพบปัจจุบันนะพบก็เกดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมในชาติ และในการต่อต่อไปเนี่ยกรรมเช่นนี้ชื่อว่าตั้งไว้ไม่ดีเพราะเป็นความตั้งอยู่โดยไม่ชอบและเชื่อเป็นการกระจัดกระจายเขาเรียกวิปปกินนาและยังชื่อว่าสั้นไปด้วยวิสตาก็คือสั้นไปสันปส้นไปเพราะการฆ่าการละ ก, การมาพูดผิดสั้นไปเพราะการพูดเท็จสอนเสียดคำอย่าเพ้อเจ้อก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะสั้นไปนั้นใจมันสั้นก่อนนะมันโลภ ก, ก่อนมันโกรธก่อนแล้วมันเห็นผิดก่อน มันก็น้อมไปในการที่จะทากายกรรมวิจีกรรมให้เป็นผู้ทุศีทําให้กรรมทั้งหลายมีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็ต้นก็เกลื่อ น, นแลนก็กระ จ, ะะจะายเต็มไปหมดเลยก็เลยซ่านไปทั่วเลยเข้าใจยหมนี่เขาเรียกว่าศีแลนะคือความเป็นผู้ตั้งไว้ไม่ดีอันนี้มองเห็นยังมะถ้าไม่เห็นก็ ตรึกให้เห็นให้ควรให้เห็นเอาไปรอบทวนร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เป็นไรนั่นไม่เขา้าใจนี่จนที่สุดจริงเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจมันจะสะเทือนการรักษาศีลต้องขนาดนั้นถ้าไม่สะเทือนนะออกไม่ได้ออกจากปานนาดีบาตัดีนนาทานการเมสุวิชฌานาไม่ได้ออกจากมุสาวาปิสุนาวาจาพุรุสวาจสาสัมผับลาป ะ, ปะไม่ได้แล้วก็ออกจากอภิชาพยาบาดออกจากมิจฉาทิถีไม่ได้มันต้องไม่ก้าล่วงอกุศลกรรมบวช แล้วก็ต้องทํากุศลกรรํามวดศิษเนี่นะกายสุจริตรวจีสุจริตรมโนสุจริเนะี่ยให้แข็งแรงต้องแข็งแรงด้วยนะต้องแข็งแรงแล้วต้องต่อเนื่องนะต้องต่อเนื่องต้องต่อเนื่องแล้วถ้าหากว่าเห็นคุณของกุศลเย็นทอดก็เอากุศลแล้ง่ายเลยนี่ข้าจกลายเป็นผู้เบาโอ้แต่รู้ว่าดีอย่างนี้รักษากันัดแล้ ว, ลว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่มันประเทศต้องกึ่งอย่าเนี้ย เอาไม่เอาเอาไม่เอาอยนี้แโอ้โหตัดสินใจกว่าจะฝ่าไม่ได้เร็วที่สุดเจ็ดสิบสองกวบเลยเยอะไหมอันนี้ไม่ดีเลยแม่เกิดเปลี่ยนชาติไปเย่ะไหมถ้าเกิดเปลี่ยนชาติโตมขึ้นมายุ่งเลยไม่ทันเลยไม่ไปทันได้รักษาเลยแล้วแก้ตัวทันไหมไม่ทันกันดเดยว ชวนกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นนะที่เป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นผู้มีศีลดีศีลดีไม่ใช่ทุศีลแต่ทุศีนคืออกุศลศีนใช่ไหมโลภะโทสะโมหันนั่นแหละที่เป็นสมุทฐานของอกุศลศีนที่เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอันนั้นก็จะศีนไม่ดีนั่นสร้างไปแน่นอนแต่ความเป็นผู้มีศีลดีนี่หมายถึงกุศลศีลเจตนาที่ในกุศลจิต เจตสิกที่เป็นใบกุศลทั้งวรเป็นต้นที่เกี่ยวกับการติดบาทที่ชาวหน้าที่เป็นกุศลชาวหน้าทั้งหมดนั่นแหละแล้วเอาวีติกมามะคือการไม่ก้าวร่วงปนานอธิบาตเป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกผู้มีศีลดีมีการนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขมาให้ในปัิจบันแพบและกัในชาติและในการจ ต, ต่อไปกรรมทั้งหลายที่ออกมาทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้ชื่อว่าการตั้งไว้ด้วยดีสรรถาปีตานี่นะก็เรียกตั้งไว้ด้วยดี เพราะเป็นการตั้งอยู่โดยชอบและชื่อว่าไม่กระจัดกระจายอาวิปปิกินาเนี่ยและยังชื่อว่าไม่สซ่านไปด้วยเหมือ น, นท่านจะยกตัวอย่างอะไรเหมือนทิศดูผู้มีจักสูตรทอดลงและมีการเมื่อแกว่งแขนเป็นตตรงนี้ก็ดูเราพาเ ด, ดินเดินเนี่ยถ้าภาพหนพใบแกว่งแขนเดนินปุ๊บปปุ๊บปอันนี้แปลว่าไม่สํารวมกายถ้าเดินไปเดี๋ยวล็อกแรกล็อกแรกเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าไม่สํารวมจกักขุณจี ไม่สำรวนจักขุณสีอย่างนี้ก็ขาดอินทรีย์สังวรขาดอิ น, นทรีย์สังวรทีนี้ขาดอินทรียสังวรมีโทษอย่างไรถ้าพระนันทะท่านจะมองทิศต่างๆเจ๊ะั้มท่านต้องประมวลก่อนท่านต้องประมวลก่อนว่าท่านจะมองอีทิศเหนือทิศใต้หรือขวาหรือซ้ายเป็นต้นหรือจะเงยหน้าขึ้นหรือมองลงเจ่ะไหมเป็นต้นจะเลียวไปตามทิศ สี่หรืออนุธธทิ์แปดทิศท่านต้องประมวลก่อนพราจะเหลียวไปในิทิเนี้บาปอกุศลแรรวมันลามกมันจะไหลสนทับไะมาราคาโทสาวมูหามันจะรอดใจมนะถ้าท่านประมวลดูแล้วไม่เป็นโทษอย่างแน่นอนเพราะมีสติสังวรกั้นไว้อย่างดีแล้วท่านจึงค่อยเหลียว เมื่อเลียวไปเนี่ยบาปอุเบกษาธรรมมันลามวกกับคือราค่าโทสามูหาก็ไม่หมุนเข้าสูส่กระแสจิตอย่างนี้ชื่อว่าตั้งไว้ดีไหมตั้งไว้ดีนําประโยชน์มาให้ในปัจจุบันแล้วก็จะทําให้ตนเองได้ประโยชน์ต่อไปในการข้างหน้าเข้าใจใช่ไหมเนีย่ยเป็นไปกับการที่ทํากายกรรมปฏีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปกับสุดจริงจริงจีนต้องเป็นไปลักษณะอย่างนี้ คนที่จะมีสติแข็งแรงอย่างนี้เบ็ดเสร็จ้วแปลว่าต้องปฏิโมกข์สงวนต้องดีแปลว่าเห็นคุณของศีลอย่างดีแล้วเห็นโทษต้องการทุศีลแล้วการจะเห็นคุณของศีลได้คือเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นคุณของศีลก็คือเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นทอดของศีลก็เห็นทอดของความทุศีลห็นโทดของสังสารวัฏโอ้สังสารวัฏเจ็บปวดเป็นอยู่ทั้งหลายก็รทุทุศีลทั้งนั้น โทกนการทุศีนั่งนั้นเนี่ยต้องดูเธอไล่ไปเธอไม่มีต่างจากศีลห้าศีนแต่ศีนสิบเพราะว่ากันนะสำรับก็คือโทษของทุศีนิชใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่กรรมเหล่านั้นทั้งหลายก็มันน่าจะเห็นโทษเด่นมากถ้าใครทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วยังไม่เห็นโทษตรงนี้ก็ยุ่งใช่ไมวันวันก็ไปคิดอะไรอยู่เรื่องน่าคิดใช่ไหมเราไม่ได้สอบกันเลยนี่ใช่ไหม จะทำตัวมันซาบะเลยทาหน้าที่เผาศพอย่างเดียวกินเล้าทุกวัน <laughs> นั่งนับเงินกินเล้าเสียหายเลยย <laughs> ไม่มีตายในยช่วงนี้ยุ่งเลยยกเว้นตัวเองอย่างเงี้ยเป็นเจตสิกเว้นตัวเองอย่างยุ่งเจ้ามาอันนี้ไม่ได้แล้วถ้คือถ้าอมาไปคิดอย่างนั้นนั่นก็อมาก็เป็นโทษจากธรรมา <c oughs> ก็ต้องไม่คิดไม่น้อมที่จะคิดอย่างให้เห็นโทษเนาะ <c oughs> โทษต้องสงสารเราบ่าง นี่นี้มองเห็นแล้วนะไม่กระจัดกระจายนะไม่สซ่านไปเอาวิเขียปะเหียตุตาของธรรมทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยสมาธิสีแล้วนะสับนี้เป็นการตั้งไว้ด้ดีนะสันถาปังคือการสํารวมสังยามนานังของกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเมต谛กรรมเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งไว้ด้ดีและไม่เลกลื่อนก่อนไม่กระจัดกระจายอันนี้ก็เข้าใจแล้วสับแรกของคำภาษีแล้วนะ สัตย์ที่สองอัตย์ที่สองเสรณะก็คือการเข้าไปทรงไว้อุปทาระนังเนีอุปธาระนังจะงแก่การรองรับไว้อาธารภาวเนี่ยด้วยอำนาจความเป็นกู้ตั้งมั่นรองรับไว้ก็คือตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นในภาวะที่เป็นประธานเหตุงความเป็นไปถึงความไม่หวันไหวของสุดธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต่ อ, ตอไปถามว่าอะไรตั้งมั่น กุศลธรรมเมสีลยติอุปทาเรติเอเตนาติสีดังแล้วท่านมีข้อสอบอย่างนี้โยมหลายๆท่านเอาที่ท่าไปทำไม่ต้องวิเคราะห์เพื่อจอเข้าถึงความหมายที่แท้จริงจะได้ไม่บิดจะได้ไม่เทียนยจะไปอธิบายกันมั่วคนที่เขาจะอธิบายคําสอนได้เนี่ยแปลเขามีหลักนะโยมหลักต้องมีอยู่ความเข้าใจต้องชัด แค่นั้นใครมาถามเรื่องเลีลเป๋หมดเลยตอนเนี้ยเออนั้นก็ได้นี้ก็ได้จบหมดเลยมีหลักอยู่มีหลักการมีข้ออยู่เอาพูดโดยสับก็เข้าใจพยัญชนะต่างอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ไหมพระใหญ่ไหมแล้วพยัญชนะนี้อัดถาความหมายเนื้อความสภาว่าหมายตรงตัวนี้นะต้องเข้าถึงตรงนั้นด้วยแล้วเวลาเราพูดปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะการรักษาสีนุ่งอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปพูด ล, ลอย ก็เหมือนบอกว่าได้รับศีลที่ว่าได้กันอย่างเนี้ยจริงไหมมันก็เลยจบ ก, กันอยู่อางนี้ยกรณีอย่างตั้งไว้ด้ดีคือการเข้าไปทรงไว้เนี่ยทรงอะไรไว้ทรงไว้คืออะไรการรองรับไว้เนี่ยรองรับยังไงคือได้แก่ความรองรับไว้เนี่ยอะไรรองรับไว้บุคคลใดย่อมทรงไว้อันนี้เอาบุคคลมาเกี่ยวข้องนะถามว่าศีลเป็นบุคคลไหม เจตนาไม่ใช่บุคคลหรือเปล่าเจตสิกใช่บุคคลไหมไ ม, ไม่ใช่เลยใช่ไหมสังวรก็ไม่ใช่บุคคลการก้าการไม่ก้าวล่วงบาปรกรรมทั้งหลายมีการฆ่าเป็นต้นก็ไม่ไม่ใช่บุคคลแต่ท่านใช้คําว่าใส่คําว่าบุคคล้็ไว้ก็เพื่อต้องการให้เข้าใจไงจะได้เข้าใจบุคคลเป็นผู้รักษาผู้โดยบยัญญัติ์ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นยอมเป็นผู้รักษาศีลอย่างเงี้ยนะ แต่ตัวศีนั้นเป็นสภาวธรรมใช่ไหมแต่คําว่าโยมหรือชื่อบุคคลเนี่ยอันนี้เป็นบัญญัตินี่เป็นบัญญัติโยมสุพรรณหงรักษาศีล์โยมสุพรรณหงย่อมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายด้วยธรรมนั้นเหตุ น, นั้นธรรมนั้นชื่อว่าสีลศีนเป็นที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เอาคาว่าโยมสุพรรณหงมาเป็นคาบัญญัติ เพื่อจะเจาะเข้าถึงสภาวะประมัติที่สภาพของสมมุติว่าโยนสรรณหงกําลังทํากุศลให้เดินอยู่ในกระแสขันยะในกระแสะจิตเป็นต้นคือเจตนาสีมีไหมตอนนี้เจตสิกสีมีไหมสัมวรอะวิติกามามีไหมถ้ามีเนะี่ยเขาเรียกว่าอยอมสฟานหงมีสีทีนี้คาว่ามีในที่นั้นที่จะทรงไว้จะตั้งไว้แปลว่ากุศลแลีเกิดมากแค่ไหนอก็เกิดมากแค่ไหน มีการเดินต่อเนื่องเกิดอย่างต่อเนื่องแมเดินจะสามารถว่านั่นมนั่นขนาดแม่นั่นขนาดที่ว่าจะเป็นที่รองรับได้เอาพื้นถนนพื้นถนนที่จะรองรับรถบรรทุกขนาดยี่สิบตันสามสิบตันได้แต่ว่าถนนต้องอัดอย่างดีเลยเอาพื้นสนามบินโอ้ยเครื่องบินหลายตันหลายร้อยตันนะวิ่งตุ้มตุ้ม ต, มตมุลงมาเนี้ยนะ ก็ต้องต้องรองรับอย่างดีใช่ไหมตึกสูงสูงเนี่ยแปลว่าต้องแน่นต้องรองรับได้ออาตอนนี้เราอสติปัฏฐานด้วยประชุมลงดี่เนี่ยที่ว่าศีลดีดกันทั้งหลายเนี่ยซดกันเป็นแถวเป็นแนวเลย <G ül> จริงไหมล่ะเอาที่เนี่ยเอาสติปัฏฐานสี่อชุมได้ไหมตอนเนี้ยเอาสติปัฏฐานสี่ประชุมลงสมประธานสี่ประชุมลงอิทธิบาทสี่ประชุมลงอินทรีย์ห้าประชุมลง พ่อชงเจ็ดประชุมลงอริยมรรยองแปดในอริยมรประชุมละสุดไม่ไหวแบกไม่ไหวที่ตอนนี้แบกคุณธรรมสูงไม่ไหวย้อนสมานไม่ไหวระสุดเพราะอะไรตั้งไว้ไม่ดีแล้วก็เป็นสถานที่รองรับไม่ไห้ทรงไว้ไม่ไหวทรงคุณธรรมไม่ไหวเขาให่ยังเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวหรอกคนปฏิยธรรมเนี่ย สูงไหมโอ้ยคุณธรรมสูงมันของคู่มีบุญเขาระดับราชาพิเศษนะได้สเวสวยฉับเนะพระเจ้าของอริยามรรยาผลนะต้องคิดดูพระเจ้ากว่าจะประชุมสัมมาสัมพุธิยานอร Hathamak ที่ต้นพระิมมานโพรที่ บ, บ, บ, นะบริเวณโพธิบลังยี่สิบอสงไขยในแสนกับเนี่ยปรเพณงศีลนะถึงจะทรงคุณธรรมสูงสูงไว้ได้ถึงจะรองรับคุณธรรมระดับสัมม า, ส, มมาสัมพุธิยาณได้ ธรรมดาที่ไหนแล้วฉะนั้นพวกเราเนี่ยมันยังไม่ใช่สีอย่างที่เราคิดกันมันต้องสีระบบที่ขัดเราอย่างดีต้องไม่ห ว, วั่นไหวต้องกุศลธรรมทั้งหลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ต้องไม่หวั่นไหวนมาตั้งตรงเนี้ยถ้าถามว่าถ้าโลกรัธรามขอใครถ้าพูดถึงตัวบุคคลนะเขาจะถามบอว่าเออหมือนเหมือนใช่ไหมหมันก็วิ่ง่งเวลาเขาจะลงจอดเขาจะโทรมา ลานดิงขนาดไหนอ่ะโอยบกจัมโบ้ขนาดประเภทที่ห้าร้อยเป็นพันพันที่นั่งอะจะลงมาอ่ะรอรับไหวไหมเขาออกไม่ไหวแล้วครับลงมาต้นเลยเขาไม่ลงหรอกนี่เหมือนกันเนี่ยเรากระตุ้นทำจะวิ่งจอดได้ไหมเนี่ยตอนนี้มั้กสี่ผลสี่นี่ปานหนึ่งจะมาไปชมได้ไหมเนี่ยเรารับไม่ไหวเองไปโทษใครรับไม่ไหวเพราะคุณธรรมเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้พอกรูเลย วันวันหนึ่งทำอะไรกันอยู่รู้คิดเลยว่าจะไปเดินเจ็ดวันก็ได้คิดเลยไปไม่เข้าใจอะไรเลยไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้จะได้คิดเลยฝันเลยดีเข้าใจยังมันต้องอาศัยข้อมูลความเข้าใจใช่ไหมใชจะสร้างความฝันเลยนะฝันสร้างดมการในใจอะไรต่างๆอย่านี้ต้องบรรลต้องอะไรก็ว่ากันไปเถอะ คือจริงๆตรงนี้มันแล้วการสร้างเหตุให้เหมาะสมการจะหวังผลได้ถ้าลองหวังเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะหวังเป็นนายกเนี่มันต้องสร้างเหตุนะต้องสร้างเยอะแต่ไม่ใช่อันนี้ยกตัวยามเลยแต่นี้เป็นกรณก็ต้องมีเหตุสัจจัยอะไรเยอะหมดอันนี้ประเด็นนี้ก็มันแทนนี่หวังการบรรลุก็ต้องเป็นไปํามลำดับไม่เหมือนเขาขาดต่อขาดเขยนะ็นไหม เขาขาดมันตัดพ่วลงเลยมันไม่มีหรอกหลักสูตรย่อเนี่ยคนมีบุญนะได้ไม่อย่างสันตติก็เอามาได้ฟังแป๊บเดี๋ยวจบไปไหมฟัง น, นี้เดียวนี้จบเลยแล้วก็โห้ยจะเป็นอย่างสันตติกันยังได้เป็นได้นะยุคนี้ไหวไยมันยากแต่ว่าไม่ยากนะถ้าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจกุศณสีนแล้วเนี่ยมันมั่นใจถ้าตอนนี้มีใครมันมั่นใจบ้างหกือผมยังไม่ค่อยมั่นใจ ตรงนี้ก็มาจะาคําว่าขุศรธรรมเมศรยติอุปะทาเรติติสิรังนะทำใดย่อมทรงไว้ซึ่งขุศรธรรมทั้งหลายเหตุนั้นทำนั้นปรชื่อว่าศีลศีลก็คือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งกุศรธรรมทั้งหลายผู้ในที่นี้คือเป็นสภาวะด้วยนะเราจะใส่เป็นสภาวะเป็นเหตุได้นะเป็นกาณนกระได้เป็นสภาวะก็ได้เป็นบุคคลกระได้นะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งกุศรธรรมทั้งหลาย เพราะตัวกุศลศีลตัวเจตนาศีลเจตสิก ส, สังวนรนวิติกามาเนี่ยเป็นสภาวะที่เข้าไปส่งส่งกุศลธรรมเบืงสูงเอาไว้อันต่างด้วยสมาธิปัญญาเป็นต้นนะะอย่างยกตัวอย่า ง, งนวะว่าความไม่เดือดร้อนใจปราโมทปีติปัจจทิความสุขสมาธิญาถาคูดายา น, นัทนามิตริทาวิราทิวิวตุยวิโมติเนี่ยนะสิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็คือเป็นคุณธรรมเบงสูงต่างๆเนี่ยกุศลศีลเนี่ยจะส่ง สภาวธรรมสูงนี่ไว้รองรับรองรับสมัยก็าอาจมาใช้คำว่าเป็นภาชนะความเข้าไปทรงไว้อุปัฏฐารนางก็ได้ความที่ตั้งมั่นอันนี้เป็นมูลเหตุนะความเป็นมูลเหตุความเป็นมูลเหตุท่างกล่าวเป็นไปในเบื้องต้นเบื้องต้นของศีลก็เป็นมูลเหตุเป็นมูลเหตุแห่งความทรงไว้ของกุศลธรรมทั้งหลายอันต่างด้วยว่าสติปัฏฐานสี่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าสังเกตดูนะว่าตรงนี้ไปสอดคล้องท่านใช้คําว่าถ้าศรัทธาเนี่ยในคาถาคตาโพธิศรัทธาเนี่ยไม่บริบูรณ์นะเออไม่ดีนะรักษาศีลไม่่คยไปไม่รอดหรอกทำไมเวลาท่านศึกษาศีลท่านพยายามเชื่อมพุทธคุณในฟังเรื่อยสังเกตเยอะเหมือนเหมือนมาเวลาเดินพยายามจะเดินพุทธคุณเรื่อยเลยต้องการเดินตามโบราณอาจารย์ท่าน ตามภาษาลีบุตรตามพระพุทธเจ้าแสดง เ, เพราะท่านต้องการที่จะเพิ่มศรัทธาเนะ่เพิ่มศรัทธาเพราะศรัทธาจะเป็นตัวขับเน้เนใช่ไหมทาให้ปฏิโมกสังวรสีเพราะปฏิโมกสังวรสีบริบูรณ์แล้วเนี่ยทีนี้ให้สงเกตว่าถ้าวัดถ้าข้อปฏิบัติต่างๆหน้าที่ต่างๆไม่บริบูรณ์ปฏิโมกสังวรสีก็ไม่บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้น อ, อันนี้ประเด็นก็ถือว่าให้สงเกตด้วยนะบอกว่าศีล ศีลกรณีที่ว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยเกิดสติสัมปชัญญะตัวสติสัมปชัญญะก็เป็นปัจจัยเกิดอินทรีย์สังวร น, นี่ไปต้นก็คือตัวศีลนั่นเองตัวกุศลศีลเนี่ยเป็น ป, ปฏิโมกข์สังวรศีลเป็นปัจจัยเกิดอินทรีย์สังวรไอตัวอินทรียสังวรก็ไปติดบาปทางทวานทั้งหกใช่ไหม พอสติไปปิดบาปไม่บาปไหลเข้าสู่ทางตาวานตาหูจมูกลิ้นายใจไอ้ทุจริตสามก็ไม่เข้าเอาทางตาเนี่ยได้ทุจริตสามไหมถ้าปิดได้ได้สุจริตสามทางตาได้ใช่ไหมเป็นเอดในการสุจริตวิจิตรสุจริตมโนสุจริตทางตาก็ได้ทุจริตสามนะทางหูก็ได้ทุจริตสามทางจมูกก็ทุจริตสามทางทวารลิ้นกินก็ไปทําให้ทุจริตสามจะได้นะเป็นปัจจัยได้หมดเลย ทางทวารกายก็ทุจริตสามทวารใจก็ทุจริตสามสามหกเท่าไหร่สิบแปดเลยถ้าตัดได้ตัดสิบแปดออกไปเป็นเหตุที่สุดสุดฤได้เลยเห็นไหมถ้าหากว่าปิดสุจริตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็ได้กายยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตรงนี้เห็นไหมว่าเพราปาฏิโมกขังวรสิลินดีต่อไปก็อินสิลก็ขยับขึ้นมาระดวอบสุจริตดีไหมตอนนี้ย เพรกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตสุจริ ต, ตที่ไม่บริบูรณ์สติปัฏฐ า, านจะบริบูรณ์ได้ไหมเห็นไหมเนี่ ย, ยพอพุกุรลศีลแข็งแรงสุจริตก็ดีเพรสุจริตดีแต่เนี่เดินสติปัฏฐ า, านคล่องมากเดี๋ยวจะไปเดินนี่ดูเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเนี่ยส่วนศัพท์ตรงนี้มาไม่แยกแล้วนะศีรณศัพท์เนี่ยสีรณศัพท์ที่ว่าเป็นปฐมีธาตุอะไรต่างเนี่ยไม่ไม่ขยายตรงนี้เดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะเวลาเหลือน้อย เป็นรังจะเหลือน้อยม่หน้าที่สิบสองไปเลยหน้าที่สิบสองนี่ก็คืออาจารย์เหล่าอื่นท่านใช้ศัพท์ว่าที่อาจว่าศรรีศระสี ร, สระเนี่ยคําว่าอาจารย์เหล่าอื่นในที่นี้ก็คืออาจารย์ที่แต่งมีมุติมัตไม่ใช่อาจารย์ที่แต่งวิสุทธิมัตอาจารย์เหล่าอื่นท่านใช้คำว่าศีระที่แปลว่าเสียนศีรษะนั่นเองหัว ศีรษ ะ, ะก็แปลว่าเย็นสิวะก็แปลว่ากระเสียเป็นช่อนมีสามเยอะบางทีศีรแปลว่าเย็นก็ได้แค่ว่ากระเสียก็ได้ก็ว่าไปนั่นแหละละเอียดทีนี้ท่านก็ยกมาหนึ่งศีรษะคือหัวเสียงคือหัวนี่แหละท่านก็ถามกว่าถ้าตัดหัวขาดไปแล้วเนี่ยอัตภาพอื่นจะเป็นไปได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วหัวขาดแล้วหมดแปลว่า แขนทํากิจไม่ได้ขาทำกิจไม่ได้อวัยวะปอดม้ามต่างๆทํากิจไม่ได้เพราะหัวขาดศรีรษะขาดเสียนขาดศีนขา ด, าขาดทําอะไรได้ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินกุศลและทำสูงส ง, สงหมดสิทถ้เขาจะบอกเห็นไห้ทุ่งศีนแล้วจะไปเดินกุศลอะไรได้เข้าใจยังงั <c> ้น <oughs> ถ้าคนหัวขาดแล้วจะไปจะเจริญสติปัฏฐาน <c oughs> หมดสิทธิ์ก็มูลของกุศล มูลของกุศลพังแล้วถ้าบอกว่าไปปฏิบัติเดชสีเกิดเองเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินไหมไป เ, เข้าห้องกรรมจ า, านเนี่ยเดชสีมันดีขึ้นไหมโหตายดีเลยตองนั้นหัขาดแล้วต่อหัวได้เองนี่โผล่พูดมาได้เนี่ยมันไม่ได้ต่อไปสมาทานวัน500ละห้าร้อยรอบ <c oughs> โหสามราบใจเจ้าขาดใช่ไหมเสียเวลาดูทีวีทัิ่มสองนาทีว่า แม่ก็ต้องย้อนถามในฐานะที่เราศึกษาถ้าเข้าไปแล้วเจตนาศีลมันจะโดดเข้ามาหาใจดิฉันใช่ไหมสาวเจตสิกยศีลมันโดดเข้ามาเองได้ไหมสังวรศีนโดดเข้ามาได้ไหมเอาวิติกามะคือการไม่ก้าร่วงมันโดดมาได้นั่นก็ต้องเข้าใจก่บนดิเพราะศีนเป็นนามธรรม มันต้องเดินได้มันต้องสามารถให้เกิดได้จริงๆต้องไข้ควรได้ต้องพิจรนารณาได้นี้นี้เข้าใจแล้วนะระดับตรงนี้นะ้ตรงนี้ก็คือว่านั่นแหละท่านก็ใช้ความว่าสีระตะบ้างอะไรบ้างก็ แ, แปลว่าอาจว่าทุจริตทั้งปวงนะต่างเหล่านี้ย น, นะอันกุศลนั้นกําจัดแล้วบางแห่งท่านจะใช้คําว่าเป็นสาราก็ได้เนะี่ยเป็นดีพักเอามาจะไม่ขยายอะไละเอียดตรงนั้นนะ เพราะขยายมีเยอะก็เราไปขยายติดสัตติดขัดตรงไหนถ้ามีโอกาสก็สอบถามกันหรือพวกเราที่พอมีความรู้ก็นุ่นยอมสมานมามาเลไรก็ถามถามเยอะๆเยขยั น, นกวนว้าจังงั้นเดี๋ยวไม่ยอมคนม <c oughs> ต, ต่อไปก็ต้องถ้าใครจะถามมากๆต้องไปปึกรักษา เราต้องไปเจริญจริงจงยั่งยังอ่นนะบอกขอเวลาจเจริญศีลสองเดือนแต่จริงจริงยังกลับเมากลายเป็นคนใหม่เล้เดือนสี่เดือนต่อไปก็คือลักษณะรักษณประจุประานบระทัดฐานตรงนี้สําคัญกรณีที่จะเดินกุศรศีลได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะศีระนานั่นเองเป็นความตั้งไว้ด้ดีแล้วเข้าไปทรงไว้นี่เป็นลักษณะของศีลสองความหมาย น, นั่นแหละศีระพท์นั่นแหละเป็นลักษณะของศีล พระคาถาเนี่ยที่ได้กล่าวว่าสีมีหน้าตายอย่างไรมีลักษณะอย่างไรดําขาวสูงหรือต่ําเนี่ยเนี่ยลักษณะของเขาอ๋อเขาเป็นสีระนาดตั้งไว้ได้ดีทํากรรมทั้งหลายมีกายกรรมวจิกรร ม, ม, รรมเป็นต้นไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้ซ่านไปนัในความหมายหนึ่งหรือเป็นสภาวะหรือบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายแปลว่าถ้าจะประชุมกุศลธรรมเบื้องสูงะ ตัวกุศลศีลนั้นต้องมีการเกิดอย่างแข็งแรงแล้วถึงจะสามารถรองรับอุศลธรรมเบื้องสูงได้อันนี้สองความหมายนี่คือสี่อ ร, รัพาศนี่ก็ชัดเจนใช่ไหมอันนี้เข้าใจแล้วพอย้ำหลายครั้งถ้าตรง น, นี้ไม่เข้าใจยุ่งเลยเอ้าประการต่อมาคือว่าราษะราะตรงนี้กแปลว่าจิจจะลดแต่หน้าที่ของศีลนั่นเองหน้าที่ของศีลก็มีการย่ำยี ความทุศีนการย่ำยีความทุศีนก็แปลว่าอะไรย่ำยีการทำลายอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมย่ำยีการทำลาย น, นั่นเองนะการทำลายกาจัดนั่นแหละกาจัดกําจัดอกุโสรศีออกไปเขาเรียกว่าหน้าที่กําจัดความทุศีลก็คือกําจัดไม่ให้อกุโสรศีเกิด เบื้องต้นจริงๆเขาจะสามารถกําจัดได้แปลว่าต้องไม่ให้ความโลภโกรธหลงเข้าสู่ใจนั่นจะสามารถกาจัดความทุศีลได้เพราะรากเง้าของความทุศีนมันคือโลภโทสะโมหะเข้าใจยังฉะนั้นมันต้องไม่ให้โลภโทสะโมหานั้นไหลเข้าสู่ใจนังจะกําจัดความทุศีลได้ฉะั้นจิตของศีนก็มีหน้าที่อย่างเดียวถ้าโลภโทสะโมหะจะเกิดก็คอยกําจัดเพราะนี่เป็นเรื่องป็นความทุศีนนี่ ศีลไ ม, ด ม, ม่ดีมันจะมาเกิดเนี่ยก็คอยกําจัดเหมือนคนไป อ, อยู่เป้าประตูอ่ะจะเข้ามาใช่ไหมจะเข้ามามีห้ามเข้าเนะี่ยเราเฝ้าอยู่นี่จะเข้ามาเนะี่ยหลวงกันไม่ยอมเป้าให้รักษาศีลรักษาศีลคือรักษาอะไรรักษาอริยทรัพย์ถ้าคนมันจะมาขโมยอริยทรัพย์มีหน้าที่เป้าทรัพย์พอ ม, มองเห็นเลยนะทีเนี้ยจิตของเขาเกาะในกาจัด แล้วก็อย่างหนึ่งส่วนและความมีธรรมหาข้อตีเตียนไม่ได้นี่เป็นสมบัติสัมปติร็คือสมบัติลองพิจารณาตนเองตีเตียนจะเด้งได้ไหมเนี่ยไม่ได้เด่ตนตนย า, ายริยธรรมนีนบอกปัจจุาันนะคือมีความหมดจดทางกายทางวาจาในปัญญาของบัณฑิตพุทธเจ้าเป็นตนท่านรู้คนมีสิเอาเวลาพุทธเจ้าจะไปโปรดเนี่ย ระหว่างคนทุ่ศีลก็มีศีลพระเจ้าไปวดให้ ก, อ <c oughs> ก่อนแกมีตอบง่ายมากเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วเวลาพระเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยแสดงตามระหว่างคนมีศีลไม่มีศีลพระเจ้าก็แสดงตามแม่กับคนมีศีลก่อนใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้เราต้องเตรียมตัวไว้นะเรี่องพระเจ้าไม่กดแต่แต่เรื่องน่าพระเจ้าเมินเลยน่ากลัวใช่ไหมพูดไปก็น่าจะดุ่งใจแล้วสองพันกว่าปี ที่่านมาสงสัยเราจะมีศีลหรือไม่มีศีล้วะไรเริ่มคิดหนักเลยถ้าศีลดีฝันนี้ไม่ต้องมานั่งเรียนเรื่องศีลใหม่อะคนที่ยังต้องเรียนศีลใหม่แสดง ว, ว่าในอดีตศีลไม่ค่อยดีถ้าคนศีลดีเขาปริญญาทันหมดแล้วใช่ไหมนี่แสดง ว, ว่าเราต้องถ้าถ้าคนทุกไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เจอคนศาสตร์ศาสนาถ้าเจอคนสอนเรื่องศีลอีกไม่เบื่อเลย ต้มันนั่งหลังกดหลังแสบเรียนศีลนะก็ให้มันจบชาตินี้ไปเลยไม่ได้เลยก็ไปประชมศีลในโลกุตละแค่ท้นเรื่องที่เรา่าต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเรียนเรื่องศีลอีกก็แค่นั้นเองใช่ไหมนี่ไยอมทํำจะมีเสียก็ต้องมานั่งเรียนเรื่องศีลอภิทัศฐานคือเฮดิแล้วแต่ปากตรงนี้ท่านขยายเนาะศีลในคำว่าอุสละศีลเนี่ยไม่ได้นําเข้ามาในอาศศีลนาในที่นี้เนาะในนี้ไม่เอามา ตรงนี้ไงตรงนี้ท่านบอกว่าไม่นำเข้ามาเพราะความที่กุศรสิลทั้งปวงอวิยากตาศีลบางอย่างเนี่ยส่งข้อเข้าในอัตวสีระอย่างเดียวกันนะกับศีลที่ประสงค์เอาในที่นี้ได้อีกด้วยก็แปลว่าอวยากตตาศีลเป็นศีลของพระอรหันติกิริยาจิตเกิดขึ้นกับท่านชาตินี้ไม่เข้าใจชาติหน้าก็เข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าเข้าใจไม่ยากเลการเรื่องเรียนมันทุกชาติไม่เข้าใจรู้ไปใช่มหมเอาถ้าหากว่าเรียนที่มนุษย์ไม่เข้าใจไปเรียนนู่น หมายตาก็ไว้หนึ่งชั้นดาวดึงก็ไปเรียนกันอย่างนี้สมมติะนะนยชั้นรนูศิษยเพราะโพธิสัตว์ก็อยู่ยขอเรียนศิลกัท น, นก็ตามไปเรียนไปสำหรับคนที่ยังปราณนาำปบเนี่ยก็ยังต้อ ง, ต, องต้องวิ่งขัดเกากันเหมือนกันนะชีวิตของเราท่านทั้งหลา ย, ยอยู่ในภาวะที่ไม่น่าไว้ใจกันหมดเลยเนะเป็นกลุ่มอันยกระบุคคลเนี่ยา ส่วนการแสดงเฉพาะอากุศลศีลทังนั้นว่ามีมีอัจว่าปกติเนาะปกติของอกุศลก็จะแก่สภาวะที่ปกติในการฆ่าในการรักของก้อนั่นอกุศลของเขาในกรณีอย่างนั้นนะ่ยขยายความสักหน่อยได้ีกว่าน้ออกุศลศีลเนี่ยจะได้หายสงสัยเลยคืออย่างนี้ยอากุศลศีลเนี่ยศีลที่เป็นอกุศลเนี่ยนะในหน้าที่สิบสีนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งศีลที่เป็นอกุศลเช่นในคําทั้งหลายศีลประตูประทาน ศีรปตาปรามา ก, กายะกันตาสีรปตาปรมามุแต่เมื่อศีรตะประมาสะสังโยชต์ดังนั้นอคุสนั่นแหละศีรปรตูปาทานก็เป็นอกุสลสีระปตังอุปาทิยะตีติศีรปรตูปาทานนึะศีรปรตูปาทานเพราะอาจจะว่าอันบุคคลยึดยึดมั่นยึดมั่นอะไรยึดมัน่นศีลดยนานการสมาทานนะ คือในสมัยทั้งวัฏการก็มีบุคคลสองคนที่ท่านสมาทานโอศีนโควัดแล้วก็สุนัขเอ่อก็วัดของสุนัขแล้วก็วัดของไก่โดยคู่คือท่านไปเข้าใจว่าปฏิบัติศีลของสุนัขปฏิบัติศีลของโคปฏิบัติศีลของไก่แล้วจะเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากสังสารวัฏได้ท่านก็ประพฤติเหมือนโคเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขยิ่ยงไก่ โคทํายังไงโคมีวัดยังไงปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นโคไม่กินหญ้าเออโคกินหญ้าอะไรต่างทำยังไงเหมือนโคทําหมดเหมือนสุนัข ก, ก็ทําหมดคิดว่าทางนี้แหละจะไปการความหมดจดจากสั้งสาระก็ประพฤตปฏิบัติลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนนะัขเป็นต้นเรานเนี้ยนะศีลที่วัดตาเพราะเป็นการถือเอาเลยภาวะที่เป็นกรรมคือตบะ ปกติภาวนาของโคที่การมาพืเยี่ยงโคเป็นต้นในนี้นะลักษณะอย่างนี้จะงท่านจัดว่าเป็นสีเราประจุป่าทานก็บอกว่าโคสีแล้วก็โคพจน์เนี่ยเป็นตัวอุปาทานท่านหมายการถือผิ ด, าผดการถือผิดการปฏิบัติผิดทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือว่าอีกบุคคลหนึ่งชขาคิดว่า เชื่อว่าศีลแลพจน์เมื่อบุคคลกระทําให้บริบูรณ์อยู่ในกาลมาวจรพบหรือในรูปประพบารูปพบใจพบหนึ่งก็จะถึงความสุขถึงความบริบูรณ์ก็กระทำซึ่งกรรมที่เข้าไปถึงความเป็นอย่างนั้นด้วยอํานาจของศีลและประตูประธานกรรมของบุคคลนั้นเป็นกา ร, รมประพจน์ขันทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นอุปติภพคืออย่างนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อว่าในรูปประพบคคนี่แหละพอเพื่อปฏิบัติไม่ได้ชานสมาบัติ ก็ทําฌานสมาบัตินั่นแหละคิดว่ามันจะเป็นเหตุแห่งการพ้นจากวัาทุกข์ได้ตั้งมั่นแล้วก็ทําแล้วกรรมที่ทําไปเป็นเหตุทําให้อุบัติเกิดขึ้นนั่นเป็นกรรมมาพบการอุบัติได้รูปปรขันเวทนาสัญญาสังขารมิญานของรูปประพรมนั่นเป็นอุปาติภพเข้าใจไหมนั่นแหละเป็นสีแล้วก็ตุกทานเพราะคิดว่าจะพ้นทุกข์ได้เพราะอาการอย่างนั้นเพราะไปเข้าใจว่านั่นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้ตนด้วยอํนนานาจของสีแล้วก็ตุกทาน กรรมบุคคลนั้นเป็นกรรมประพบขันทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเป็นอุปาติภพศีลและฌานที่เป็นโลกียะทั้งหมดที่บคุคคลทําไปด้วยน่านการยึดถือที่ผิดๆว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นศีลและพัตู ป, ปาหาเอาเลยสิตรงนี้ยน่าคิดไหมคือไปเข้าใจด้วยน่านของมิจฉาทิฏฐิด้วยความเห็นผิดว่านี่แหละทางนี้เราจะทำให้ตนเองพ้นทุกข์ได้เป็นการบริยิบานเนี่นอน เราจะดูก็คือกลุ่มบทสิทาธรรมนิพพานสำคัญวันในกาลมาวจรนี่เป็นสวรรค์เป็นทางความบริสุทธิ์แล้วก็บําพเพ้น